ท่านสาธารณผู้ตบริษัตททั้งหลายบรบบรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาปรารพกันเรื่องมโหสถบัณฑิตความจริงเรื่องมโหสถบัณฑิตนี่ยาว ม, มากก็เลยขอเดินนัดตัดใจความเพื่อไม่เสียเวลาที่ลูกหลานทั้งหลายจะเพิ่งปรารถนาจะสดับเรื่องราวก็มีอยู่ว่า หลังจากที่กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นคราวนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทยในปัญหาที่มโหสถแก่มาแล้วก็รู้สึกว่ามโหสถได้มีความฉลาดเป็นพิเศษตามนั้นความก็กล่าวว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทยในความฉลาดของมโหสถอย่างยิ่ง เจ้าเนี่ยจัดฐานมันเสนท่านเสนนกว่าเินา ก, กะท่านเสนนกก็ติทูลทัดทานต่อไปอีกหมายความว่าเจ้าเสนนกก็ดีได้เพื่นี่สามคนก็ดีเป็นคนที่เต็มไปด้วความอิจฉาดีเสียทั้งทั้งที่ตนที่ก่อนไปแล้วว่าปันดิคนนี่ห้าจะเป็นคนที่ฉลาดมาก แต่ขั้นเมื่อมาพบบัณฑิตคนที่ห้าคนแล้วก็ปรากฏว่าบัณฑิตทั้งสี่คนค่อยหาทางกีกันแล้วก็นินทาว่าร้ายติเฮียนั่นบ้างติเฮนี้บ้างไม่ดีเฮียน้นบ้างไม่ดีย่างนี้บ้างตอนนี้ก็อยากขอคุยกับบรรดาลูกหลานที่รักให้เป็นกติกาจำใจ ว่าคนไหนชอบติใครคนนั้นเป็นคนเลวถ้าว่าติเพื่อก่อไมยความว่าถ้าเขาทำไม่ดีนี่วกาติให้ดีชี้แนวแห่งการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อถ้าการอย่างนี้แล้วก็ขอลูกหลานที่รักจมจำไว้ปฏิบัติตามเขาแต่ว่าคนที่ติแล้วทําอะไรไม่ได้ มาถึงเวลาที่ตัวทาําเขมังกับเรวกว่าคนอื่นอย่างนี้แสดงว่าคนตีเร็วมากลูกหลานจะเทอเป็นแบบปฏิบัติในเวลาปัจจุบันนี้มีเยอะมีข่าวคราวตา่ตางๆตำแหนิตีเตียงคนบ้างตำแหน่ตีเตียงคนนี้บ้างดีไม่ดีคนดีก็ไปติเขาแค่ว่าเรวบางทีก็ยกเมต เหตุที่ไม่มีก็หา ว, ว่ามีคนก็มีความสามารถีกันก็ยุ่แยกเขาแตกกันอย่างนี้เป็นวาจาเลวแล ะ, ะอาการที่เลวทำลายความสุขคนที่อยู่ร่วมกันเมื่อข่าวการตีเตียนแพร่ไปทั่วประเทศคนทั้งประเทศก็จะแตกแยกกันประเทศเราก็จะไม่มีความสุขขอรรณาลูกหลานที่รักจงอยา่า <c oughs> เขบนาบรรดาลูหลานนี่รักจงอยากจาตัวอย่างเร็วๆนี้ไปปฏิบัติถ้าเห็นใครติใครจนนึกไว้ก่อนว่าคนนี้เป็นคนเร็วเราจะไม่ยอมรับนับถือการติเขาเคนคนนั้นเหมนไว้แต่ ว, ว่าเขายาหาทางแนะนําถ้าทําอย่างนี้จริงจะดีแล้วก็จงพิจารณาว่าการทําอย่างนั้นมันดีจริงหรือไม่จริงเขาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็พูดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> ไดเห็นว่าพูดพระประโยชน์ส่วนรวมเราเห็นด้วยแล้วก็ถามหลายๆลายรายที่เขามีคติเป็นธรรมถ้าก็บอกว่าดีแล้วก็คนเชื่อถ่าบอกว่าไม่ดีก็นิ่งไว้ก่อนอย่าเชื่อตัวอย่างเส้นกเป็นต้นเป็นคนจอมอิจฉาและเสียอวดตนว่าเป็นคนมีความรู้แต่ดู ว, ว่าปฏิบัตาเขาเส้นกเป็นผู้ทาลายทั้งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ได้ปกรงชนชาวประเทศนั้นทั้งหมดเพราะว่าแทนที่จะได้คนดีมาบริหารประเทศเสน็ ก, ก็พยายามกีดกันโหลแหนตำแหน่งของตนงก็เกรงว่าเมื่อได้คนดีมาแล้วตนจะต้องตกไปความเลวประเภทนี้ในประเทศไทยเรายัางมีอยู่ฉะนั้นขออรรญาลูกหลานน้รับจงมรัมมัติวังให้มากมาคุยเรื่องราวต่อไปว่าพระเจ้าวิเทียรราชสมณมิว่า บอกว่สดวินิจใช้คดีแก้คดีถูกใจมากเรียกว่าถูกพระไทยนะพระราชาคำว่าพระไทยนี่ก็หมายถึงใจถ้าหักว่าญาขืนเชื่อในเสนกแลเพื่อนอีกสามคนน่ากลัวจะไม่เป็นการ ฉะนั้นจะต้องใช้เรื่องเราจะใช้ความสา ม, มารถขององค์เองรู้แน่แท้กันเลยรู้แนู่้แท้แน่แกระจว่าเจ้าสี่คนเนี่ยเป็นเจ้าอิจฉานิเสียจะคบไม่ได้แต่ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์จะตรัดออกมาตรงตรงไม่ได้จริงจะต้องจำจะต้องงดไว้ก่อนนิ่งไว้จะทำการเอง ฉันั้นพระองค์จึงทรงรว่วาจะต้องนำมโหสถมาให้ได้จะไม่ยอมรับคําแนะนําหรือว่าการทัดทานของมันดาอาจารย์ทัศงสีจึงรับสั่งให้ราชบริษไปบอกอำมาตย์ที่เฝ้าดูจริยาและอว่าอาการขอ ง, ของอมโหสถบอกว่าให้นาหํามโหสถบัณฑิตกับปิดาของมโหสถทำเฝ้าได้แล้ว พร้อมกับน้ำ ม, มาสดอนมาด้วยนี่รูหลานที่รักการที่พระเจ้าวิเทหราชพรุมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอสั่งให้มโหสถบัณฑิตเข้ามาเฝ้าและให้นำบิดามาด้วยให้น้ำ ม, มาสดอยมาด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กรูหลานที่รักมันเป็นปัญหาใหญ่ นี่เป็นปัญหานะค่อยฟังให้ดีนะว่ามาโหสถยามาอัสดรมาจากไหนสําหรับม้าอัสดร น, นี่พ่อเป็นมา้าแม่เป็นลาแล้วก็เป็นม้าที่มีกําลังมากในการสงครามจัดเป็นมา้าตัวประเสรศิฐฟังเรื่องราวของท่านต่อไปดูที่ว่ามาโหสถจะแก้ไขปัญหาได้ยังไง เรื่องนี้ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วย่าเกิดัญญาราชบัรุดจึงได้นำพระราชดำรัชที่ทรงตัดอย่างนั้นไปแจ้งกับมหมาดที่ควบคุมอยู่ห ม, มาดจึงได้ไปบอกพระโสดว่าท่านหมกท่านท่านผู้มีปัญญาเลิศบัดนี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์ให้ท่านลำบินดาของท่านข่าเฝ้า แล้วก็นำมาสดอนไปด้วยตอนนี้ดูปัญญาของมโหสดต่อไปมโหสดได้ฟังคำเขาอธิมฐาจึงตอบรับที่จะเข้าไปเฝ้าพระราชาพร้อมกับบิดาถ้าหมายกลับไปแล้วมโหสดจึงไปหาบิดาและพูดว่าคุณพ่อจา๋าเวลานี้พระราชาทรงมีพระราชประสงค์จะให้ คุณพ่อกับฉันเข้าเฝ้าขอให้คุณพ่อเข้าไปเฝ้าก่อนเมื่อไปก็จงอย่าไปมือเปล่าให้เอาผ้าอบบรรจุไม้จันทร์แล้วก็บรรจุเนยใส่ไปด้วยผ้าอบนั้นก็ใส่ไม้จันทร์แล้วก็ใส่เนยมันจุ่รวมกันเมื่อคุณพ่อไปถึงบรรดาชาจะทรงไปสัตย์ฐานทรงจัดให้นั่ง คุณพ่อจะนั่งที่คนสำหรับว่าคำว่านั่งที่คนที่ตรงไหนเขาจัดไว้ก็นั่งที่ตรงนั้นเมื่อเวลาแล้วก็ฉันจะตามไปทีหลังเมื่อฉันตามไปถึงที่เฝ้าพระราชาจะตรัสทักทายปราฉัยฉันแลรับสั่งให้ฉันนั่งในที่อนสงคนตอนนั้นฉันจะจำเลีองโดคุณพ่อ พอคุณพ่อเห็นฉั น, ฉนยำเลืองดูเป็นความหมายให้รู้กันเพียงสองคนแล้วคุณพ่อจงลุกจากที่นั่งแล้วพูดว่านี่แน่พระมโหสถเชิญพ่อนั่งบนอัศวะนี้เถิดวันนี้ปัญหาหนึ่งจะต้องถึงที่สุดกันเพราะว่าพระราชาทดลองขอคุณพ่อจำคำของฉันที่บอกนี้ไปด้วย นี่เป็นมากันว่าเขามีการนัดหมายกันปัญญาต่อปัญญาพระราชาต้องการปัญญาโมโหสถก็สแสดงปัญญาเช่นเดียวกันและเราจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีเราวันนี้เอากันถึงที่สุดเมื่อท่านสิริวัฒกะเศรษฐีรับคําของมโหสถแล้วจึงได้เตรียมของที่จะนำไปถวายพระราชา กับเรียกเศรษฐีอีกที่เป็นบริวารอีกพันคนท่านเป็นมหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ที่สุดพระราชาทรงแต่งตัง้ตงมีชั้นสามชั้นมีตําแหน่งมีสิทธิเข้าเฝ้าพระราชามันคุณาแผ่นไหล <c oughs> ให้มนดาเศรษฐีที่บริวารอีกพันคนไปด้วยไปเป็นขบวนใหญ่ เมื่อไปถึงจึงรออยู่ที่ประตูพระราชวังเมื่อพระราชาทรงทราบวาเสถีมาจึงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้าในพระราชวังเศรษฐีเมื่อได้รับพระราชาพระบรมราชานิญาตแล้วจึงไปเฝ้ากราบถวายบังคมทูลพระราชาแล้วจึงยืนอยู่ก่อน ตอนนี้พระราชาคือพระเจ้าวิเทหราชทรงตัดถามว่าท่านมหาเศรษฐีมโหสถหสบุตรชายขอท่านอยู่ที่ไหนเราไม่มาหรือถ้ามหาเศรษฐีก็กราบทูลว่าขอเดชะมโหสดจะตามมาที่หลังพระเจ้าข่ะพระราชาทรงทราบวา่ามโหสดจะมาคนดีประทัย จึงแต่จะต้อมหาเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเชิญนั่งบนอาสนะที่สมคนรแกท่านเถิดการรู้ที่นาสนะก็ว่าเศรษฐีมีอาการมีการเข้าไปชมอยู่สมอเสมอจึงได้รู้ว่าที่เของตัวนคนตรงไหนท่านเศรษฐีนั่งบนอาสนะที่ควรแกตนแล้วเมื่อเศรษฐีพร้อมด้วยบริวาร ไปกันแล้วมโหสถบัณฑิบแต่งกายงดงามพร้อมไปด้วยเพื่อนเด็กพันคนเป็นบริวาร น, นั่งรถที่ประดับอย่างหรูหราเครื่อนกระบวนไปสู่มณฑลครขนขณะที่จะเข้าไปสู่มณฑลครเหินลาตัวหนึ่งเดินหาอาหารอยู่ที่หลังโขวียงได้บอกเพื่อนเ ด, เด็กที่มีกำลังแข็งแรงว่านี่พวกเรา จงจับลาตัวหนึ่งแล้วโผล่ที่ปากอย่าให้ร้องได้เอาเสื่อลำพันห่อให้ไม่คิดแล้วจับลงนอนบนกระดานห้ามมาเมื่อจับนอนได้เรียบร้อยแล้วก็พากันเครื่องกระบวนเารขับไปส่งพระราชวังอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขามีปัญญาลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่เราคิดยาก ท, ที่จะพิจารณาได้ว่าเขาคนนั้นเขาจะทําอะไรในโรงร้านนึกออกไหมว่าโมโหสดให้พ่อเข้าไปก่อน้เวลาที่ตัวเองเข้าไปสั่งให้พ่อลุกจากที่นั่งแล้วก็หลังจากนั้นตัวเองเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปก็จับลาโผล่ากใส่กระดานหามไปโดดช่วยแกงคิดในโรงร้านที่รักอันนี้มันเป็นปัญญา คือฟังเรื่องโมโหสถและเป็นการรับสมองก็เราได้เป็นอย่างดีเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงภายในพระราชฐานแล้วทรงสมมณฑปดาอย่างยิ่งจึงต่ัสว่าโมโหสถลูกรักขอลูกเข้ามาเถิดนี่เสวยองทรงมีความรู้สึกเหมือนว่าโมโหสถเป็นลูก มโหสถพร้อมบริเพื่อนที่รักถึงหลายพันคนเมื่อได้รับพระบรมราชโองค์การโปรดกล้าบตัวกระหม่อมให้ขึ้นเฝ้าแล้วจึงพากันขึ้นไปสู่พระสาตร์ถวายบังโคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่ที่ควรส่วนข้อหนึ่งด้วยท่าทางอสงาผ่พเผยนี่นแสดงความไม่หวั่นันแล้วมีความเคารพในตัว เพว่าถ e nah ้าทางเสงา่าเผยนี um ้ไม่แสดงการหยิงเหมือนกับทหารที่เฝ้าพระราชาเขาต้องยืนตรงแสดงกอาการปกติแต่จิตใจเพราะไม่ได้ความเคารพพระราชาได้จัดประดิษฐานด้วยกับกคำนํำคำนําหนักที่นุ่มนวลหมายความว่าพระราชาเนี่ยทรงตัดประดิษฐานคือการต้อนรับทักทายปราศัยกับบอกสด ด้วยพระราชสุรเสียงที่หนุมน่มนวลว่าเชิญพ่อมโหสถนั่งอยู่ที่ควรเถิดพระคุณนะเชิญนั่งตามสบายที่ไหนมันเหมาะพ่อมโหสดนั่งที่นั่นที่ไหนเห็นว่าสมควรจงนั่งตรงนั้นฝ่ายมโหสถบัณฑิตจึงได้ให้สัญญาตามที่ตกลงบวิดาของเธอเื่อมเลืองตาโดวิดา ท่านเมดารู้ความหมายที่ในโลจากอาสนะที่ตนนั่งอยู่แล้ว ก, กล่าวว่าพ่อมโหสถเจ้าจงนั่งบนที่นั่งว่าอย่างไงนะว่าพ่อโมโหสถเจ้าจงมานั่งนอนบนอาสนะนี้เถิดจะ น, นั่งก็ได้จะ น, นอนก็ได้บนอาสนะนี้ให้ความให้โอกาสคับโลกตามสัญญา เป็นอันว่าท่านมาโหสถก็ตรงเข้าไปนั่งเทียสนะทิเวดาลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งแทนทันทีเมื่อขนาดนี้เขาลูหลานที่รักจงอย่าลืมว่าการมาคราวนี้วันดาบัณฑิตเท่าสี่จอมฤษียาที่ลุ่มปูชอบเรียกว่าเจ้าเท่าสีเท่าสารพัดพิษ เพราะว่าเจ้าสีเท่านี้ที่เราเรียกกับบนว่าบัณฑิตความจริงก็มีคติไม่ต่างกับอสารพิษร้ายที่ทําลายความสุขของคนทั้งชาติเมื่อการทําลายพระราชาที่ดั้มได้คนดีเข้ามาช่วยบริหารประเทศเมื่อการบริหารประเทศดีคนทั้งประเทศก็มีความสุข ถ้านได้คนเลวเข้ามาบริหารประเทศพวกเราก็ยังมีความทุกข์เขาก็ยัมีความสุขแต่คนเดียวเพราะว่าคนที่เมาลาบเมายศเมาสนเสิญเมาสุขเมาวความเด่นคุณเมาวความใหญ่โตเขาก็จะกอบโกยความร่ำรวยความมีอำนาจเพื่อเขาพวกเราจะเป็นยังไงนะช่างดีไม่ดีประเทศชาติชาติตั้งอยู่ในความมั่นคง มีมิตรเป็นที่รักเขาส่งเสริมให้เรามีความสุขเศรษฐกิจประเทศของเราดีก็ไล่มิตรออกไปจากประเทศองเรานี้ก็เราต้องยากจนเข็นใจพราคนนั้นหลายนับแสนต้องมีความลำบากถ้าว่านับล้านนับเป็นสิบล้านต้องมีความลำบากเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี้ก็มีสภาพเช่นนั้นคนอย่างนี้คบไม่ได้ เป็นน้ว่าในขนาดนั้นบัณฑิตทั้งสี่คนคือเซนกุปุษตะกามินเทวินทะซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นโดยได้เห็นพ่อลุกจากที่นั่งให้ลูกเป็นนั่งแทนและลูกก็นั่งแทนพอ่อเขาดีใจคิดว่าคราวนี้อาการอิจฉาอยาของเขาจะสมหวัง ทั้งนี้พ่อได้รู้ว่าโอ้โหสดแสดงความไม่รู้คุณพ่อลูกที่ไปนั่งที่ของพ่อนี่แสดงว่าลูกเป็นคนอักตั ญ, ญยูไม่รู้คุณพ่อแล้วก็แสดงตัวเด่นกว่าพ่อคนประเภทนี้เขาจัดว่าเป็นคนเลวอาการอย่างนี้ลูกหลานจะพึงทำ แต่ถ้าว่าเรื่องราวกมโหสดเป็นการแก้ปัญหากันแอาจารย์เลีสี่จึงได้เยอยหยันพากันตบมือสนเสรเหหาเยอะเยอยว่านี่หรือคนที่ผู้ที่มหาชนพากันยกย่องว่าเป็นบัณฑิตเพื่อเป็นคนฉลาดที่แท้ก็คือคนโฉดเขานั่นเองมันมีอย่างที่ไหน เที่ยให้บิดาลุกออไปจากที่อาสนะตนเองนั่งแทนเสยเองไม่สมควรที่จะพากันงมงายยกย่องมโหสถว่าเป็นโคเชลาดนี่ขหนดาต่อหน้าทาระกำนันดาต่อหน้าพระราชาตอนนี้เล่นพระราชาพระเจ้ า, าวิเทียาราชชักหึ่นกว่าเอเราหน้าตัวจะคบคนผิดเสียแล้ว ฟังต่อไปฝ่ายวิยจาวิเทราชทสรงสับอย่างนั้นก็มีพระพักรสลดเศร้าหมองแสดงว่าทรงระทมพระทัยเมื่อเสี ย, จยใจตกใจคิดว่าเราครอบคนผิดต่อไปฟังดยการของมโหสถวันเวลาหรี่นิมดมโหสถเฝ้าสังเฝ้าสังเกตอากัปกริยาของพระราชาท่านเป็นคนฉลาด เห็นพระราชามีพระทักตรสลดเศ้ามองเช่นนั้นเจ้นี้กราบทูลว่าขอณิชาพระบารมีปกกล้าปกห ม, ม่อมขณะที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเข้าเฝ้านั้นได้เห็นพระองค์ทรงมีพระสํารารทรงยิบยิ้มย่อมผ่องใสแต่ทว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจา้าได้เห็นพระองค์คร่งเครียดลงไป ขรึมไปมากคงจะมีสิ่งที่ข้าพราะพุทธเจ้าทำให้เป็นที่ไม่พอพระราชธิดไทยระมังพระเจ้าค่ะพระราชาดัตรว่าเออจริประมโหสถเจ้าเป็นมนตข้าเสียใจที่ความหวังของข้าในการที่เจ้าข้าเฝ้าครั้งนี้ก็เพราะได้ยินคติศพ ของเจ้าว่าเป็นคนเฉลาดหลักแหลมมากแต่พอเห็นความประพฤติขอเจ้าในวันนี้เขา้าก็เกิดเสียใจเพราะว่าเจ้าให้บิดาของเจ้าลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเจ้านั่งแทนเสเองข้อ น, นี้และพระมโหสถที่ฉันสลดใจเสียใจไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนอากตันอยู่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ แล้วตีตนหรือถือว่าตนดีกว่าพ่อกว่าแม่อย่างนี้เป็นคติธรรมดาของคนที่ก็มีความเข้าใจกัน <c oughs> แต่ว่าพระราชานะ่พระเจ้าวิเทหราชทรงลืมว่าพระองค์ส่งปัญหาไปเขาเขาแก้ปัญหามาท่านวะา้อสดจนิกลาทุนว่าขออนชะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจในอความ ขอวราไทยคําพระองค์ที่มีอยู่แต่ข้าพระบาทแล้วพระเจ้าค่ะหมายความว่ามีความเข้าใจว่าเวลานี้เนี่ยพระองค์ไม่พอใจเสียแล้วแต่ว่าข้าพระบาทขอทราบว่าธรรมดาบิดาผู้เป็นผู้มีความสำคัญขบดเสมอไปหรือพระเจ้าค่ะนี่หมายความว่าเพรลูกหลานที่รักตัวนี้เขาแยกนิดหนึ่ง ทีมอ้อสุดถามว่าพ่อแม่เนะี่ยมีความสําคัญแก่บุตรในที่ทุกสถานทุกอาการได้ยังไงความจริงพ่อแม่มีความสําคัญแก่บุตรในฐานะที่ท่านผู้ก็ให้เป็นผู้ให้กาเนิดแล้วก็บุตรก็ต้องแสดงความกตัญญูรู้คุลแต่ถ้าว่าในกรณีบางอย่างบุตรอาจจะมีความสําคัญกับบิดามันดา อย่างที่พระพุธเจ้ากล่าวว่าบทมีสามประเภทหนึ่งอาวัชชาธรรบทบทที่มีความโง่มีความสามารถน้อยกว่าบิดามารดาสองอนุชาธรรบทบทที่มีความฉลาดมีความสามารถเท่าวิดามันดาสาอภิชาธรรบทบทที่มีความสามารถและมีความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าบิดามารดา แต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทดลองบัญญากันพระเจ้าวิเทาราชท่านก็นลืมตอนนี้ไปเมื่อมองว่าสดกาโทูอย่างนั้นเจ้าเนี่กการทูต่อไปว่าขอเดชะโรงมีพระกิษแสรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้านำมาสัดรมา ซึ่งเป็นมาที่ดีกว่ามาธรรมดามาถวายใช่หรือไม่ใช่พระเจ้าค่ะเอาละตอนนี้เล่นปัญหากันนะโตกันพระราชาก็ทรงรับสั่งว่าถัวแล้วพะะอ่อมโหสถฉันต้องการอย่างนั้นแต่มโหสถจึงในลุกจากที่นั่งแล้วก็สั่งให้นำลาที่นำมาด้วยให้มันนอนแทบพระบ่ายเขาไม่เจ้าวิทธาิราช แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะลาตัวนี้ราคาเท่าไหรพระยาค่ะเอาละลูลหลานที่ราาักตอนนี้จะเจอความดีนะว่าใครจะแน่หรือไม่แน่พระราชามองแล้วเห็นว่ามันเป็นลาเป็นลายชนิดดีราคาก็มันก็ประมาณไปกระหาบันะเท่ากับแปดตำลึง แทนพระราชามองนะมองแล้วไปถาวันละเท่านั้นไอ้นี่ราคาแปดตำลึงเท่านั้นเองทนี่โซนนั้นว่าลาตัว น, นี้ราคามันประมาณแปดตำลึงลลนั้นหลานนั่ลูกลูกรักถ้ามาเสถจินี่กาบทุนว่าก็ถ้าม้าสดรมาใสลานี่เกิดในท้องม้าสดรนตัว น, นั้นราคาประมาณเท่าไหร่พี่เจ้าค่ะ เรว่าม้าสัดอนพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาศราชาจินตรัาว่าสําหรับม้าสัดอนนี้เราตีราคาไม่ได้เพราะว่าเป็นม้าตัวประเสริฐเป็นม้าที่มีความสําคัญที่สุดจะเป็นม้าอะไรที่จะตีราคาเท่ากับม้าสะดอนไม่ได้ฉะนั้นคําว่าม้าสัดอนนี้ตีราคาไม่ได้แน่จะเมาว่ากี่แสนกี่ล้านก็ตีราคาไม่ถูก ท่ามนมโหสถที่นี่กราบทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพก็ถ้าอย่างนั้นเหตุไรที่นี่ทรงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้นี่พระองค์ทรงรับสั่งว่าบิดาจะมีความสําคัญกว่บทเสมอไปไม่ใช่หรือถ้าพระราชดำรัสนั้นเป็นความจริงลาก็ต้องมีความสําคัญกว่ามาสดอนของพระองค์เพราะลาเป็นแม่มาสดอน ขอพระองค์ทรงรับราลานีิไว้ท่าม้าสะดอนสาคัญกว่าลาก็ขอองค์จงรับม้าสะดอนไว้เมื่อกี้นี้บัณฑิตเขาพระองค์คงจะไม่รู้เหตุอย่างนี้กระมังพระเจ้าค่ะเพราะท่านเป็นบัณฑิตผู้ใหญ่และก็เป็นคนแก่พากันตบมือหัวเราะย่อข้าพระบูตเจ้าว่าโอนหรอ รูองได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหนช่างมีปัญญาสามเสีจริงๆอรั บ, บันดาลูกหลานที่รักชายและหญิงธรรบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย <c oughs> เวลาที่จะพูดไปไม่มีเส็จแล้วสำหรับในวันนี้ <c oughs> ก็ขอลาก่อน <c oughs> ขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลตองมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี